มีว่าประวัติหลวงขู่ล่า่าเข็มมาปัตรโตมวนที่สามการซ่อนผ้าบินธบัตรจะกล่าวการเตรียมไปบินธบัตรเมื่อองค์ท่านเดินไปถึงบันไดสาลาก็มีผู้หนึ่งคอยรับถอดลองเท้าเอาเก็บไว้ที่กวรระวังไม่ไง่ายน้ําถูกเพราะลองเท้าหนังองค์หนึ่งถือกระบวยรางเท้าด้วยมือขวาทั้งใต้ฝ่าเท้าและหลังเท้าเทถูเทถูโดยเร็ว และไม่แสดงมารยาทอันไม่ตั้งใจแลบออกมาให้ ต้องสอนช่วยกัน 2 องค์องค์เช่นบินทบาตและสวดมนต์องค์ท่าน จะเอาอนุวาทเข้าข้างในหรือออกนอกก็ไม่ผิดวินัยบ้างยุกวัดป่า เป็นกาไปจับภูเขาทอง 4 ปีและเก็บลูกสิทธิ์เพราะยุควัดป่าบ้านหนองผือเป็นๆในสำนักสิ่งใดเป็นประโยชน์ ลูกศิษย์ผู้ไปซ่อนไปห่มให้ ก็เกณฑ์ว่ากระเทือนโลกปัจจุบันนี้แล้วผู้เขียนก็ๆหั่นๆซ้ําๆซัดๆ คงจะเป็นจวนจะพอใช้ในครั้งพุทธกาลกำังการ ดีแต่คำพูดแต่เขียนไว้เพื่อเตือนตนพอแล้วเรื่องบินทบาตพอ 6:00 น. น, น, น, น, น, นเช้า เขารวมกันเป็นกลุ่มยืนเรียงราย มีโยมผู้ชายรับเช่นล้างเท้าเช็ดเท้ารับผ้าสังฆา มีบทอาหารใส่ครบบ้างซอยผักบดในครบให้ละเอียดบ้างเพราะองค์ ตั้งไว้มีฝาครอบพอฉันอาหารอิ่มแล้วองค์ท่านก็ 4 คืนไม่หมดแก้วสักวันแต่ก่อนจะลงมือฉันก็ให้พรเป็นพิธีพร้อมกันธรรมดาบ้างสัพพพุทธาบ้างแต่ถ้าวันเข้าประดับดินและวันศาสวดพา ใส่บาตรเรียบร้อยก่อนจึงสวดถ้าไม่สวดๆองค์ท่านก็ แต่น้อยที่สุดน้อยที่สุดเป็นระเบียบเรียบร้อยมากมีสติ อาหารที่ได้มาเป็นธรรมตกลงในวัปปะภัตติยะมหานามะอัศชิองค์หนึ่งจัดให้เฝ้าบริขันหนึ่งจัดให้เฝ้า แล้วแต่ศรัทธาเป็นเองดังนี้และการเว้นไม่ฉันอาหาร 2489 นั่นมี 10 เอกพันอดอาหารวันหนึ่งเท่า เวลาที่อยู่กับหลวงปู่มั่นคงจะนึกอยากจะเว้นอาหารอยู่แต่มีเหตุ เพราะเราเป็นห่วงองค์ท่านมากเมื่อองค์ท่านฉันได้บ้างเราก็ปล่อย อยู่นักก็ไม่ดีพอดีของไขของมันให้สังเกตเอานั่งนอนแต่ถ้านอนหมายถึงนอนหลับวันหนึ่งคืนหนึ่งหลับ 4 ที่ว่ามานี้หมายความว่าปกติไม่ได้เจ็บป่วยการเดินจงกรม ถ้าอากาศหนาก็รีบเอาน้ําร้อนไปจงไว้ที่กระบอกชําระหรือใส่กระป๋องพิเศษชงแล้วตั้งรอไว้แล้วก็พอยอยู่ตามบริเวณนั้นเมื่อท่านออกมาก็ได้รีบรับเอากระป๋องกับองค์ท่าน ใช้อุบายเข็นต่างๆนานาอันนี้ถ้าแก้ตัวกลับประพฤติท่านก็เป็นการดี ย้อนมาปราลภในการเตรียมจัดฉันหรือฉัน เรเราก็ไม่ต้องฉันเราจะพอใจช่วยแจกช่วยทํา จีวรเสนาสนะเปสัตเจ้าตัวก็ต้องปล่อยให้เป็น ยาวประมาณ 5 เมตรใช้กระถนกระบอกไม้ไผ่บ้านเวลากําลังแจกอาหารต้องนอนกระถนไว้เรียบๆก่อนแจกอาหารแล้วแล้ว เมื่อมือหยิบส่งเข้าประตูปากแล้วก็ต้องสํานึกว่าเมื่อ แต่ดังกรอบมันก็ผิดเหมือนกันดังก๊อบมันเพราะยังไม่ละเอียดดีผิดพระอาจารย์ใหญ่ไปส่วมถ่ายกันเพราะมันคงเหมือนหมาเคี้ยว 3 เมตรถวายเฉพาะเม 75 เซนติเมตรสวม ไม่ผินหน้าผินหลังเปิดประตูแบบมีสติไม่ตึงตังปัสสาวะ องค์ท่านเคยอธิบายเมื่อถ่ายเสร็จแล้วๆว่าหนังสือชาติใดก็ตามสามารถ ภายเสร็จเรียบร้อยทุกประการก็กลับภัพกุฏิขององค์ กวาดลานวัดแล้วก็รีบหามน้ําฉันน้ําชายไว กลองท่านใสสะอาดเยือกเย็นด้วยมีลางไม้กว้างๆเจใสลางมี เวนไว้แต่ผู้ถูแข่งถูขาถวายส่วนผู้นุ่งก็ดีผู้รักษาไฟอั่งโลก็ดีผู้รอสวมน้องเฒ่าถวายก็ๆอันเฉพาะวันกันนิจวัตรใครเคย ก็ต้องทําภาระนั้นเป็นประจําๆเป็นอีกอย่างหนึ่งข้อวัดเกี่ยวกับลูกศิษย์ทําถวายองค์ 1 ตื่น ไอไอไฟส่งขึ้นไปเพื่อไล่อากาศหนาวเย็นเอามือ เมื่อเห็นรอยถ่ายก็รีบเก็บรีบล้างมือด้วยขี้เถ้าและน้ำมันกับตัดเล็บมือไว้ให้เรียบข้อที่เอามือกอบออก ทั้งคอยรับผ้าเช็ดหน้าองค์ท่านที่ท่าน กลับบิณฑบาตแล้วรีบมาตรวจดูไฟอั่งโล 8 รีบเอาอาจารย์มหาบัวไปไว้ท่านท่าน รีบกลับมาเอาอั่งโล้ขึ้นไปที่พักขององค์หลวงปู่ให้ทันกับเวลาอย่าให้หรือหรือว่าหนาว 11 บางวันองค์ท่านหนาวจับแต่พักอยู่เตียงนอกห้องท่าน ท่านนิ่งภาวนาอยู่เราต้องนั่งเฝ้าอยู่ใกล้เตียงนั้นนิ่งอยู่ถ้าหาก กองทับไว้กองตัดหลวงปู่มหากองเย็บท่าน ท่านอาจารย์มหาก็จะต้องให้ปู่จริงๆมีอยู่ข้อหนึ่งที่อดไม่ได้ได้เล่า หมู่เพื่อนทําแบบนี้ไม่มีสูงไม่มีต่ําแบบนี้ผมไม่ แล้วจึงยัดเยียดตามริมให้ตึงหยิบบางทีอาจารย์ทองคําแอบมาปลูกแต่หลวงปู่คงเข้าใจว่าอาจารย์วันกับคุณศรีอันนี้ก้าวไกลกันอยู่ การทําข้อวัดถวายหลวงปู่ประจําวันคืนไม่ให้หลวงปู่หาอุบายคอยลูกศิษย์มีแต่ลูกศิษย์คอยเท่านั้นตอนนั้นพระอาจารย์มหาได้เทศน์หมู่ในยุคหนองผือรับหลังหลวงปู่ซ้ําๆซากๆเสมอๆแม้ตัวของผู้เขียนอยู่นี้ก็ดีถ้าไม่มีหลวงปู่มาหาควบ ก็เท่ากับของก็เลยกลายเป็นเบาลงๆ ค. งอ ด้านจากโยมเพื่อให้รู้จักความหมายของหลวงปู่จิปาตา มาเพราะข้อวัดขององค์ท่านมีมากคณาจารย์แข่งกันเพราะข้อวัดขององค์ท่านมีมากแต่ 1 ทุ่มประชุมกันที่กุฏิหลวงปู่มั่นผู้ที่ไปทําแต่ข้อวัด 3 ครั้งแต่คนละเรื่องไม่ใช่ 2 ที่ 3 ที่ 4 เงียบไม่ มานะความถือตัวจะกําเริบโดยไม่รู้ตัวแม้เมื่อถูกชมก็เหมือน องค์ท่านก็เข้าทางจงกรมต่อไปจนถึงมืดค่ําพระๆกราบแล้วนั่งสมาธิปัญญา และอภิสมาจาระอย่างแยกภัยทั้งย่นและขยายหลายร้อยหลาย ปลุกใจให้ศรัทธายิ่งขึ้นตลอดถึงองค์ท่านวัยหนุ่มได้ วัตถุนิยมจนกลายเป็นยาเสพติดของเจตนาอันมุ่งหมายจนกว่าอริยมรรคอริยผลเบื้องต้นจะปรากฏเด่น ผู้มีราคะมีหลงหงมอยู่ก็เหมือนไม้ที่มียางทั้งแช่ ความลืมลืมหลงๆนั้นก็ยิ่งบวกทวีคูณหนัก บางทีจับเส้นไปไม่นานเท่าปี 2489 ก็ดี 2490 ก็ดี 3 วันหนึ่ง 7 วันประชุมคราว 1 2492 10 วันบ้าง 6 นาทีเพราะจวนลงนาที บ่าย 1:00 น. ตอนกลางวันรับแขกอยู่ประมาณ 20 นาทีอาจารย์ แต่อย่างไรอุบายตามธรรมเทศนาขององค์ท่านทุกๆอุบัยทุกๆกันไม่ว่าส่วนรวมหรือเฉพาะบุคคลแสนๆล้านๆไหนก็ตามหนักแน่นลงไม่ให้ ทําข้อวัดแต่ภายนอกลวงอาจารย์คนมากปวดดีทะลอกกับเพื่อนฝูงคนจะลาดแกมกลงคนพูดทํามะสูงแต่ข้อวัดเหล๋ยวไหลคนไม่เขาลบไม่เเจียมตัวคนวางเฉยหลอกกลวงทําท่าว่าจิตตนสูง ก็ติดต่อกับญาติโยมจนไม่มีเวลาทําความเพียรอีก ย้อมผ้าพากพาแก่นขันหนุนก็ดีไม่ได้กราบศึกษาขอโอกาสผิดประเพณี ปกเปกตั้งตั้งก็ดีห่มผ้าตีลูกบัวใกล้ขวานเสียมคานหามน้ําเครื่อง ไม่เคารพรักสงวนก็ดีมีดว่าขวานสิ่วเลื่อยไม่คมไม่มีใครลับคมเลยก็ดีด้ามพราด้ามขวานแตกหักไม่มีใครสงวน ลงไฟลบลุงรังมีเถ้ายังมีอยู่อีกมากมายนักถ้าจะเขียนให้หมดกาดผู้ไปอยู่กับองค์ท่านดีใต้ การรับผลเข้าปีเสมอองค์ท่านแนบเนียนจํากัดมากแม้จะเป็นมายา ล่ะเอ๋ยท่านมีวาสนามากกว่าผมท่านเข้ามาครั้งผมก็เลยไปได้อยู่เลยผมนี่เวียนๆกัน แต่ไม่รู้ว่าวันไหนจะไล่เออเราเทศน์เด็ดๆให้แล้ว ยุคบ้านหนองหรือนี้ได้เอาใจใส่สุขทุกข์แขกทางไกลในการดื่ม ก็พาพุทธบริษัทในสวดน้อยสวดมากแล้วแต่อิสระของแต่ละท่านปฏิบัตินั่นคือมหาสวดมนประเพณีการสวดมนต์ประจําวัน ต้องสวดพร้อมกันทั้งญาติโยมวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันอุโบสถสวดแต่พระเข้าเช่นเจ็บป่วยขึ้นสด ตามกาลเทศะเรื่องธรรมะชั้นสูงขององค์หลวงปู่มั่นที่องค์ท่านวันรวม ถวายอาหันต์คือ 49 คำคงไปได้วันละคำและก็กล่าวคำ เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจก็อาจเป็นไปได้ผู้สมาบัติก็คง สาวกก็ต้องตีเสมอเหมือนพระองค์ได้ทั้งนั้นเช่นทรงสรรเสริญพระมหาสาลิบุตรทรงมีพระปัญญา ในขณะที่เข้านิโรธสมาบัติว่าอยู่ที่ไหนหรือไม่ๆทั้งสิ้นเหล่านี้เป็นต้น ถ้าจะอาดเอื้อนแสงคําเทศของหลวง 40 ห้องทันใดเช่นคันธิกะ อุปจารสมาธิรวมลงไปแล้วมักจะมีนิมิตต่างๆไปแล้วมักจะมีนิมิตต่างๆเช่นแสงเดือนหรือดวงอาทิตย์ดวงดาวเทวบุตรเทวดาหรือปรากฏว่าพองขึ้นหรือเหี่ยวลงของตนปรากฏว่าพองขึ้น ภายหลังจากนิมิตเดิมที่เพ่งไว้ชานังแปลว่าเพ่งอยู่อุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเข้าไปละเอียดกว่านั้นอีกแต่ไม่มี ไม่ได้วิตกวิจารย์อันไดเลยแต่หมดกำลังก็ถอนออกมาอีก แต่นานกว่าอุปจาร� Dodging เพราะความหยุดอยู่แน่วแน่นิ่งกว่ากัน คนิกสมาرتวงนี้ ภวังคบาดก็ว่าคนิกภวนาก็ว่าคนิกชาญก็ว่าอุปจารย์โล smран 這個ภวงคฆจรณะก็ว่าอุปจาระภวนาก็ว่าอุปจาระฉันก็ว่า อัปปณาสมาرتวง อัปปนาภาวนาก็ว่าอัปปนาฌานก็ว่าแต่การเรียกชื่อใส่ชื่อลือนามนั้นเป็นรสชาติอย่างหนึ่งส่วนรสชาติของสมาธิแต่ละก็เป็นรสชาติไปอย่างหนึ่งคล้ายกับลิ้นจิปแกงน้อยก็รู้จักรสน้อยจิปมากก็รู้จักแต่มิได้สอน เป็นเป็นของจริงขนาดไหนล่ะทั้งนั้นเป็นของจริงขนาดไหนล่ะจริงตามฐานะแต่ละชั้นแต่ละชั้นเช่นหนังก็จริงตามฐานะ ก็ต้องพิจารณาให้แยบไขให้รู้ตามความเป็นๆทั้งสิ้นจึงบัญญัติว่าอวิชชาเพราะไม่ๆทั้งสิ้น หลวงปู่มั่นยืนยันว่ากรรมฐาน 40 ห้องเป็นน้อมอานาปานสติอานาปานสติเป็นยอดมงกุฎของที่ เช่นพระมหาอนันตกุลสีโลจาโคกายคตตาแก่เจ็บตายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านี้เป็นต้นย่อมมีอยู่ยิ่งอยู่พร้อม 84000 พระธรรมขันธ์ย่อมมีย่อมจริงอยู่ โมหะควิชชาวัตตจักรมันจะรวมคนมาจากโลกหน่วยไหนล่ะหลงลมออกเข้าก็หลงหนังเหมือนกัน รู้ลมออกรู้ผู้รู้ในปัจจุบันรู้ผู้รู้ในอดีตปัจจุบันรู้ลมออกเข้าในอดีตรู้ กองทัพภาวิชาตัณหาอุปาทานย่อมแตกสลายไม่ต้องพูดไปหลาย เพราะจะได้ฟังข่าวสุขทุกข์ของหลวงปู่มั่นทุกประการ ก่อนนึกอยากจะไปกับองค์ท่านด้วยหลวงปู่ก็รู้จักว่าใครออกไปวิเวกปีนี้กลับมา ไปในป่าดงในป่าในโคกในดอนในภูเขาได้ทั้งนั้นเพราะไม่มี จะไปเที่ยวเล่นดอกหรือจึงปาลบอย่างนั้นขอแก้อาจารย์มาหาขึ้นไปกราบเรียนหลวง เจ้าก็จะรออยู่ก่อนหลวงปู่ตอบว่ากีวรการเราก็เสร็จ ไปทางแต่ไม่ถึงวันจะไปตะวันออกก็มีที่วิเวก ไม่ตัดสินเอาแต่ตัวตามอัตตโนมัติเป็นเยี่ยงอย่างอันดีของฝ่ายปฏิบัติไม่ข้ามไม่เกิน ผู้เขียนนึกๆแล้วก็น่าสังเวชมากหลวงปู่ 30 ปีกว่าเท่านั้นฝ่ายปฏิบัติทุกวันนี้ไกล กล่าวการไปเที่ยวต่อไปการไปเที่ยวต่อไปล่วงมาจากการที่พระอาจารย์มหาไปกราบเรียนศึกษาหลวงปู่มั่นประมาณ 3 วันพระอาจารย์มหาก็ไปกราบลาองค์ท่านเตรียมเดินทางข้าพเจ้าก็เตรียมพร้อมแล้วเรียนท่านอาจารย์มหาว่ากระผมจะต้องขึ้นไปถ้าไปกราบลาแต่ผมมันก็ถูกแต่ผมส่วนท่านก็ผิดเพราะเรื่องของใครของมัน ข้าพเจ้ายิ่งเพิ่มเห็นความเป็นธรรมระหว่างพระอาจารย์มหายิ่งขึ้นเป็นอันมากแล้วก็ขึ้นไปกราบลาพร้อมกันองค์ท่านๆ ขณะนั้นกําลังหนาวจัดเริ่มเข้าข้าพเจ้าก็ขอนิสัยกับพระเออเดี๋ยวนี้เราออกมาวิเวกไกล เพื่อให้มีเวลาภาวนาติดต่อไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอนส่วนน้ําล้าง เราก็อยู่ไกลกันพอควรแล้วคือกุฏิมุงหญ้ากั้นใบ 3-4 วันก็ ขอทดไหว้ไกลจากวัดประมาณ 3 เส้นข้าพเจ้าไปคอนมาไว้แต่ 04:00 น. ตอนกลางคืนงม 1 1 ชั่วโมงก็ เอายาปิ่นิณเครือบน้ำตาลให้ฉันก็เลยฉัน 6 เม็ดทีเดียวหูดับอยู่วันเลยไม่ฉันอาหารปล่อยให้ยาออก ไกลประมาณ 13 เส้นส่วนน้ํานั้นม้าตักเอาที่เก่าไปบินธบาดบ้านๆกว้างพอประมาณ 2 เส้นแต่กรรมบันดาลอีก 2-3 ท่อนพอ 3-4 วันหน้าบวม ยิ่งที่เล่ก็ยิ่งผายลมเหนมแล้วองค์ท่านไปตรวจดูลานก็เห็นไม้นำเกลี้ยง 2-3 ท่อนเขาเอามาลาดปูนอนง่ายปนกับ นี่คือการเที่ยวในสงสารเหี่ยงชาติๆครบๆมันเป็นอย่างมีด้านภาวนาก็อาจารย์ลมออกเข้าเป็นหลักรวมหรือไม่รวมก็สะดวกอาจารย์ ความกับลมออกเข้าแล้วถือว่าชัดในส่วนตัวและไม่ เมื่อสัทธาความเชื่อศรัทธาความเชื่อวิริยะความเพียรสติความระลึกได้สมาธิตั้งมั่น ผู้หินภัยในสงสารผู้ไม่ไว้ใจในสงสารก็คือ ลาท่านอาจารย์มหาไปวิเวกบ้านพลงามคั่นพักปฏิบัติอยู่เดือนแล้วการจับไข้ก็ ภาพไปปฏิบัติคนละแห่งองค์ท่านก็เห็นดีด้วยแล้ว จึงได้เป็นอุบายให้ผู้ฟังมีคติทั้งนั้นไว้ไม่ลืมเลยจะถูกสอกกับหลังเขาพร้อมนับสิบไม่ลุกองค์ท่านปาลบอะไร แบบนี้ต้องนิ่งฟังโดยเคารพจะอุทธรณ์หรือพูดแก่ตัวในขณะ แต่ตัดอิงไม่ยอมสอนอีกต่อไปนิ่มนวลแบบหนึ่งยังจะ หันมาปรารภจะไปวิเวกคนละแห่งให้เหมาะสมกับ และก็มีหวังจะกลับเข้าสำนักเดิมแห่งหลวงปู่มั่นฉะนั้นจงกรุณาให้โยมบัวปอรับจดหมายจากพระ เดินคนโอตอนนี้ตกไปขออภัยต่อท่านผู้อีก จะกล้าเป็นกล้าตายต่อพระศาสนาเพียงไร เรา